ผลเนี่ยเอือนละหลายพุทเรื่องมีมเมิทธิเทวุทเทวดาพระอินทร์พระพุทธพระยมประกาญจนตระกูลพรวานทั้งทีเกิดขึ้นแล้วนับไปแล้วแต่ป่วนแต่สลายเท่า น, <c oughs> นั้นแหละร่กยอย่างกบฏท้อร่ายใจรักเลิกอย่างกบฏท้อเลิกใจเลิกเลิกดีงามดีกันมันเลิกใจ มันย่างใจเป็นบุญกับมันเลิกดีแ้่มันย่างใจเป็นเบากับมันเลิกพอดีรอว่าของท่านเอาอว้ไล่ปีนไล่เมือ่อคือกันฮะเดี๋ยวี้ตีนไปเต๊ไปทีขีบเขาละไล่ตีนพอดีไล่เมือ่อคือกันทำปลาคาไปแกงกับไล่เมือกับพดี ไปนั่งขําสอนอาพระตะเก้าังผลเปยจังเลือกยากแถวงันโยมันก็เลือกยากกันล้กัดเอาเสยศาสตรมาผลท่าว่าเอาเสยศาสมาผลมันกับพเลือกยากพวกเลนบ้นเลนเบอร์เรนโบงเลนเบ้เรีเนที่โจงมนนี่เอาเสยศาสตรมาผลเนี่ยสู้ๆสันสู้ไปหาล้มปูผู้จะก้อนสู้ ไปเฮียนวิซ่าซองบอกห้เนเนอว่ะสั่งเขาบักเสาหลูกร้านนี่แหละชูบอกวิซาท่องบอกเฮี้ยนพลนไมาได้แล้วค่ะสั่งกับ ว, วิซ่าซองเหล็กคือกันนะสั่งห้วยกูเฮียนแล้วเธอโดนแล้ววะ่องมา ท, ทนายแหง้งคิวหายวะเห็นจะบอลคิวหาย่องบอก่องบีงบ่องมัด่องเบิดอสิวะว่ามันบอลสิจรเลิศนี่สิวะ่ะเฮียนแล้วเธะดนแล้ววะ คำสอนได้ใดพระไตโลกทามันเดี่ท่อคสอนหลวงพ่อเจ้าบอกเจาอื่นมาปนได้หมืนกันหงายหงส์าล่งเหรีน้ากาบานมันกําเพื่อกาบบ่อันเขาลามันอันเดียวกันเนเดี๋ยวกามาเหรนกับหงมันมเม่นแนวเดี๋ยวคาสอนไดๆในไตโลกทามาเดี่ยบคาสอนหลวงพ่อเจ้ามันก็ไ่ไกลรอกน้อสัวย่อมสดีกลัวอ่อนหล่าขาบอยา อ้อนลาวคาบยาได้โบลาดเพนวาดคาบยังไงไอั่นอ้อนลาวคาบยาโบราดเพนเพาว่าคาบยาพน่นี่ยคาบมังคีได้กันอ้อนคาบมังคีหมูร่มโบราดเพนวาอ้อนลาวคาบยาไอ้สั่นอ้อนต่อพระพุทธเจ้าเถอดีกว่าตอนนั้นเข้าพฏิบัติบอะไรเขาก็ยกมือตอนนั้นเข้าพฏิบัติได้เขากับพรบัติ ตอนนั่นพระพุทเาาาเนนธเจ้าพระท่านไหนสอนตอน น, น, น, น, น, นี่พระพุทธเจ้าว่าท่านไหนสอนคนพูดได้ว่ายังสั่นเพราะสันปาะมาธิพระพุทธเจ้าเรื่องสมาธิสมาบัติสกันข้าวนาวัดสีรวัดพ่วนาวัดสกัอันนันคือกันหมดพระเทพดีนำไร้ไส้หมดตอนนั้กระท้างเถอะนั่นคือสัมมามาิพระพุทธเจ้าว่าบุทอโตเ้อะหรอพูดอย่สรสีลมบหลงบั ง, ง่าย สัตถังสัพ ย, ยัญชนงเกวราภาริยภูนางพระที่สุดต่างผรมัญเชียงประกาศเสือศีบริบูรณ์ทั้งอัฏฐ์ทั้งพ ย, ยัญชนะแล้วเสื่อมเชิงตามมาหารพระกบาลจังเลยภูติยามีตามมหารพระกบาลจังเสียรษานามาเนี่ข้าพเจ้ายึงยอมกราบไม่ได้กราบด้วยความว่างง้ตามอาหารธรรมังก็เหมือนกันตามมาหารสังฆังก็เหมือนกันพุทัธะสหัสไมทาโสะ สมิธาสีวะก็เหมือนกันธรรมะสหัสสมิธาโวะสมิธาสีวะก็เหมือนกันพระคัตสหัสสมิธาโวะสมิธาสีวะก็เหมือนกันนีว่าเป็นคาเป็นธาตุพระพูดพระธาตุประสงค์โดยทรเมือ่อผู้ยิ่งก็ว่าเป็นคาก็ว่าเป็นคาเป็ น, าปนาาธาตุผู้กัน่รรมธาตุสีวะผู้ทราบว่าโซะนับที่นม่ฉันั่งอะไรยงัง สถานะอื่นของเราไม่มี พ, พ, พระพุพระธรรระสง์ทอนเป็นสถานะของเราเรียกพรบัตรเบออนะเป็นสถานะของผู้ขา่าว่าเสียบอกไม่ยอมบอกเออบอกของสันว่า็เล ม, มีงามดนะีเป็นสถานะของผู้ขา่าวโบราณนี่คือเถวหนึง่งอ่ะเขาปท้าว่าเจ้าจะเป็นเศษทีถ้ามาซานอนดู พวเหตุงานเจ้าเถื่อเราจะขอเข้าคนหินมึงอย่เข้าได้ริีนพระมาโตจะเป็นเทศรษฐีคนให้เหลืองดีงามดีผู้ที่จะสอนใจคนตายแล้วก็่าสอนผู้เทศเอาใจเทศผู้ฟังเอาใจท่างฟังผู้ปฏิบัติเอาใจปฏิบัติ คำว่าไใจกับพัทบัทเพราได้ผู้เฮี้ยนกับเอาใจเฮี้ยนคนตายแล้วเฮี้ยนมาเป็นผู้ทองกับมันใจเป็นผู้ทองคนตายแล้วท่องมาเป็นผู้จำวักับมันใจเป็นผู้จำคนตายแล้วจำวัยมาเป็นเพราะร่างไม่ยุหันโต้ลงผู้เฮี้ยนผู้เขียนผู้อ่านกับมันผู้เจ้าบทเอารด ที่ไปใช้กับ่ถไปมันมนหาจาักของคือแกนตอกอของสาอรอรรถว่ะสี่ทั้งตัวเมื่อกับมหาจาัของสี่ทั้งดีกับมหาจาัของจัของคือใจนี่แหะเป็นผู้เเป็นผู้ทำเดิผ่านทุกข์เขาได้เกิดขัวเมื่อนายในวัตทาทงสารให้เาบริมตัว พานทุกขเสมอแล้วเมี่อกวีกันขึ้นอรรถแล้วใจก็ออกเลเรียกว่าพานทุกข์เนี่ยขันตุวาพานทุกข์เอามึงอัดดังเลยูกของบริณฑดเข้านั่นนั่งขึ้นกันนั่งกัพานทุกข์ดเราทุกข์โอดีนาทุกข์เขาเปรียญจากายยึกะทุกทุกทางกายเจริที่ทุกทุกทางใจเมื่อดพิจาราสังขาร เมื่อเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั่นย่อมไหลในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธิวิสุทธิเจ้าสวมี่วิสุทธิมากร่วมศีลร่วมสมาธิร่วมปัญญาอยู่นบนเดียวกันขันโเห็นไถในวัตาสงสารปฏิบัติเพื่อบมพ้นทุกข์นั่นเมืนอเครื่อเกี่ยวอันนะ้นก็ใรรใครรสอ วิชาทั้งโลกพอเฮียนมงโลกถามพระองค์หนึ่งป่วว่ปปวาปวป่าว่าซอมักัวมายังไงละตอบถือได้พระองค์หนึ่งเงิน ป, ป่าวว่าซ้อแปว่าปรวัดซั่วขาน่อยเลยท่ น, นยตีหอหัวคนเหมือ่ปนปวว่าซ้อแปว่าสป่ววัดซัอท่นเราป่าว่าดที่ซํานั่นแล้ว เท้าที่เหนหนังสือมือนี่ในปฏิญเอกมือนี่เท่าก็บไม่มีงานทำารอกการเฮากบม่มีงานล้านอ่ะเจ้าอีานเอ๋ยเออเจ้า่มีม่มีงานไตโตไตเนียอ่ะจ้างเจ้าขางบ้า้งานทรอกคนยื้วสมือนีมิติเอกิาโทะรเต็มอยญาเอื้อสมือไม่มีงานที่ท นว่าสูล้นท้างานพ้นทุกข์ได้ว่าตาทงสาอยังสีดีเหมนพี่นก น, นากองทุกข์เห็นพรหมเขาโรมไพ้แต่เขาออกก็ว่ามีกับแมงคลื่นหมด้นเพื่อนมันถิมาจะใสมั้นถือว่าโลกสรุปเหมือนพี่เหรอนี่กว่ามันติปัมป่มยากเรื่อเหมอน็นลูกเต็มไปด้วยกองทุกข์หม่อทั้อนี้ทั้งหน้าโคตทั้งพระเจ้วันเนี่ย พวาองเขล ม, มห้ใจเขา อ, ออกความของเขาคิดที่นักเกียรความเพิ่มมันสมาในโลกอันนี้มากมันก็ตั้งนามามอะไรขึ้นกัน น, นะครับเพงว่าเดียวมันกับลมจากภาคโลนนีน่ปัญญาสติปัญญาคิดไปมันมาสั่นใช้พ้น ไ, นไปได้สักพนพวกพนไปได้วุ่นนี่จะพว ก, พวกส า, า, วกกาวมาแล้ลวมว่แก้กล้ามาแล้วทั้งนั้นพกสาวมาแล้ว่แก้กล้ามาแล้วนีน่ในโลกทั้งหลายเหมือนลุมทานเพิ่งหมแล ข้าวต้งซื้อพิมแต่มันงข้าวยั้งข้าวทุกข้าวเกิดกับม่ยั้งข้าวทุกข้าวแก่กับไม่ยั้งข้าวทุกข้าวเก็บกับม่ยั้งข้าวทุกข้าวตายกับไม่ยั้งข้าวทุกข้าวหิวกับไม่ยั้งข้าวทุกข้าวห่อนกับม่ยั้งข้าวทุกข้าวหนาวกับ่ยั้งข้าวทุกอข้าวนั่งกับมันข้าวทุกขึ้กันละข้าวเดินกับมันงข้าวทุกขึ้นกันละมันเมื่อยนา่งหลายบ่เดินบ่ได้บ่เรียนนี่เดียวบ่บ่ได้ ความเก็บเกิดขึ้นจากเปลี่ยนเปลี่ยนอนุญาบทไม่เสมอความเก็บเกิดขึ้นจากฤาษีของกันความเก็บเกิดขึ้นจากพระดูแปรพว น, นั่นก็แก้จากของเนื้อว่างสัมมันว่ามันบอกเห็นบอกจะไปแก้เพื่อนแก้กับของมาสัมมันว่า มันเทศแล้วว่าเงินกับแก่ครับแก่อ้กับแก่จะค้องจะไปแก่ผู้อื่นนะแก่ผู้อื่นจะแกอยั่ไง่ะมันคัดของร้ายอะแต่ว่าแก่จะคลองมาสันที่หนึ่งไหมหรอผู้อื่นมนสั้นที่สองได้ะบ้านเทศเอาผู้อื่นก็บไ่ได้เทศเอาจะค้องก็บว่ได้ก็ตายโคโลีว่าจรงไหน่ิเทศเอาผู้อื่นมาได้บ่เป็นปัญหาดิเทศเอาจะคล้องมาได้ลุกทุ่ไนไง หลวงู่มันสัน่นโมเหานตัวเองเป็นสันที่หนึ่งลูกชิดเป็นสั่นที่สองลูกชิดผู้ใกล้ชิดลูกชิดผู้ยธาธรรมดาเป็นสั่นที่สามโยมผู้ใกล้ชิดเป็นสันที่สี่โยมเนี่ยตัง้งชิดเกิดเป็นสั้นที่หาไปอีกเขานานมากดิสุดคอห้องขันใดเขาเทศบอ ก, บอกองสันเทศกข็งท่านหลวงพู่มันเป็นเรงเจริญ มันมันทุกเครื่องเลี้ยงเี่ไปเที่ยวฮาเทสกินกระตุกขนมรดหมูเห่าเนี่ยฮัทเทได้ท่งเครื่องเลี้ยงเขาลรวไปเลยเร่อตั้งกินกระตุกขนมว่าที่ประเทศเอาเขานี้ยเขาเทศเอารถไปเส้นทางกวาดยู่สวนหมดนะ นีให้มันพ่นไก่ใหันไปให้มันพ่น อ, องค์สังคมกิดพ้นา่าหนีจากโลกจากสงสารส้ด้วยวิธีอะไห น, นีด้วยวิธีควบเมือน า, นายไงควบเห็นโทษควบเห็นไพรในวาตารสงสารเห็นไพรในเกิดได้แก่ด้เก็บได้ดด ต, าตายนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวศีลนั่นแหะเป็นตัวสมาธินั่นแหละเป็นตัวเป็นญาเมื่อในนานั้นสติแล้วลึถึงความตายจะมาถึงตนอานนท์แล้วลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง เมืล่ลไรขราั่งพระเจ้าข้าเออเธ อ, อยังประมาณอยู่ยนะอ น, นุนพ่อรมกำลัให้แก่เขาออกยิงดีมีอันนี้สองมากหาประมาณไม่ได้โลกอันนี้มันบานนาบานนาไปทั้งทุกข์พระนพพานบานนาไปทั้งทุกข์ทิงได้เพราะบานนาบางทีจกักแม้วอดอก ถ้าบุญก บ, บาลบุญถ้าบาปก บ, บาลบาปนีล่ลกก่ะโรกอัลตราลอกนวคุ้มมือมึดพวกถือไุยบุญไม่บาปนะ่ลหะว ม, มือตาบอดเว้นหงมันกระามัมมนจะเมื่อมาโน์เถิสอนกระ้องสามวมันจะเมื่อมามนดเพื่อนธรรมา น, นุปนี่ล่ะเหตุกุฏิวิหาร ยุ่งเร่องมือมนุษย์ขโมกขาลาาขึ้นไปนั่สวองสวรไปเห็นวิวานไพนั่นมาสัน่นมิานของทั่นธรรมานพมาสัน่นเจ้าของเขาเยอะสวยมาสัน่นแตเจ้าของเขาก็เยอ่ในมนุษย์โรคคนนล้ละวาสัน่นเขาเห็นยังเยอะเดียรเนี้ยเขาสัางกุฏตติวิหารมิวานดูมาสัน่นแล้วมันเกิดเป็นของทิพย์ั้งพี่มาสัน่นไม่พาเขามาสัน่น โลงมากโลกมากมาถามพระองค์เจ้าสาบถุนมีม่านคนบ้านตายหนิมีมา่นมนานาเกิดขึ้นเพราะเขาสางคนดีไว้แ น, น่มนนษย์โลกนมีกุฏิหันในต้นตัน้งตมันมี่บอกขอเขาน่อยโยกโยก็ถามเที่ยววิเที่ยวดาลงมาเดียวเนี่ยอยาทําทาถามเอาอย่าง่าสันแห้งคักลงไปอีกอันนี้หมายพวกผู้วังเกิดไดพบได้ทาพาบผู้วังเกิด สวรรค์เที่วโลกพวกมรโลกเนาะผู้ขานี่ท่านน้อยค้อยกายท่านหายค้อยเอนค้อยเขาชูพระนิพพานมี่เกลียดมากก็ไม่เห็นไม่ใช่สัมมาสมุทร้อยโกดมหาสมุทรกระซัอะงอปัญญากแก่กายสั้นห่างมุนทองเหมือนนั้งแสงจับตองเดือนเพ่นข้ามืดคสว่างกาเห็นแก่งชูผ้ายอ ย, อยเห็นสรนักวกโง่ ตัวลัฐหนึ่งเพือดียวเนี่ยจะตอขบรถขึ้นร อ, องสั่นอ่าเห็นเที่ยงปจักษ์ขณไตโรคกท่าเนี่ยเต็มไปด้วยอย่างตะควอโม่มันบเทียงเต็มไปด้วยแจกความทุกข์นี่แล้วที่สงสัยว่ามั น, นะนะเป็นยังอีกขนาดเห็นสัตว์สัตเห็นสัตวัตว์พอกว่าลมหายใจเขาออกเหรอสงสัยว่ามันเป็นยังอีกแค่นี่ นอดีตและอาคต จ, จับันก็นได้ี่ถ้านี่ขันพ่อสงสัยควอมเพิ่มควอมรื้ตัวรื้ตนลืมใจรื้อถ้ำมันถืมาได้ใสอีกนั่นนมันจะไปหาพรรคหาเสียงมาได้ไ ส, ส่มันจะไปเอาเงินไตโตมาได้ไสนั่นเาไปใส่เม้าเขาไปใส่ปเข้าไปสยยาาไปส ตายเอาไปใ้ง่ายเรับไปใช้เป็นธรรมดาแหละจะให้มันเป็นธรรมดาทุกเลยแก้เก็บตายเป็นธรรมดาเขาส่นเป็นธรรมดาทุกเลยมันเป็นธรรมธรรมดาทุกเืยธรรมดาสังขารธรรมดาพระนิพพานเรามีกว่าความเกลเป็นธรรมดาทุกเรามีความเกลียเป็นธรรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกเรามีความมีโยคพัดผ้าเป็นธรรมดาทุกเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเข้าใส่เป็นธรรมดาทุกส่นเนี้ยมันจะเหมือนน้ามันบันที่ธรรมดาซื้ออะไรข่วม ผมมันหลายธรรมดาวันเหรอจิตพน่พนพ่นจากเย่งพ่นจากข้อมสงสัยจะของอันอ่ะพ่นจากข้อมเ ข, ขาจะพิสจะของเห่อคำว่าพน่นท่านว่าขามขามทะเลหลงกับของเห่อ สมถะหรือปัจฉนามมเป็นแนื้อสิปัปญญาต์โมดัดจริงที่แกะใช้ยังมั น, ญญ น, ม น, น เ, นนเญญญญนขนาญญา้าบัญญาติแผ่นดินยังสีง่มันวาว่าดินเหรอข้าพันเจ้าเปดินนั่นแล้วมันกับไริวารด้เข้าบัญญาต์บปญญัติตามเป็นจริงคือมันึ่งกันหรืเขาปปญญาติบมปปญญาติก็นโเปียงเอาพี่ย่าเขาไมนตามตามเป็นจริงมั่นสมมติก็ไปตามเป็นจริงของสมมติอิมุตกัตามเป็นจริงของอิมุต มึกหมดแปลวู่้ลจากสมุด uh ้ผลจากความสงสัยาต่างกันีู่การลดใจเล่นเกิดขึ้นครับเยอะนึกระนั่นเยอนึกันนี้มันนึกหายามันนึกหายเพราอมันเมื่อไม่ได้กินนีอย่างน่ะนึกลปราก็หายไปนึกไปเ้าก็หายไปนึก่อรหายไปสื่อมพั พัดคอยกับหายคอยพัดแ่กัหาแ่หายแไปผู้คนรู้พ้น่อแล้หรอท่านติดยอได้ทุกเขาเวนาทุกเขาเวนาอวิบเขาเวทานาอย่างเมทนา้ทั้งสามบริ ต, ร ต, รบรติสทัานสุกทุกโตมนาโตมนาคนกบติดูทนูตามเป็นจริงป้อยไปตามเป็นจริงห้าบ่ป้อยล้วกับป้อยอยในตัวคือห้าบว่าถ้สมมติามแก้เลยนะมันยังแก้ไม่ในตัวเนี่ย เขาบอสมุทรไทยมันเก็บมึงไงยังเก็บเนี่ยเขาบอสมุทรไทยมันตายมึงไงยังตายเนี่ยส่งหลวงศาสนาเขาพูดตามเป็นจริงเอาขัานผู้ตามเป็นจริงตอนนี้ศาสนาเขหลวงตอนนั้นวัน้งวันคืนของผู้มีสติดีนะ พัฒนาการส่วนพัฒนาการอะไรนอหน้าจับนี่นนมนนมาเนี่ยนมะตื่นที่6ใต่ข้อมาาไปถูกากาเนี่นกาเตกโง่งละเสีย ม, มากโลโ่ไปเลแล้วก็ได้แกวซ้มมีซุ้มสนเสิมมุกค้นนอบ น, นได้รับบนหันเป็นผู้ที่ซ้ค้นหนาวอะร่า มัาตกลงหัวล้านงกูกูกูกูไมดโมนกบกิดอียงนะครับเราจะสร้างความหนาเป็นอง่าเราก็จะเจาะตู้เกลียวเัวนี้กัวนียใหญ่หย่านไม่ได้กินทอเพลนหย่านบม่ได้นอนทอเพลนหย่านบม่ได้ใส่ทอเพลินย่านไม่มีหลับมีวัดทอเพลินหย่านไม่มีพูนับถือหรือหาทอเพลินสรรมฐานหย่านไม่มีคนมาส้มมาแซ่ลย่านไม่มีซมเสียงทอเพลน เมื่อท่านโดนตายนับชิบะลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอเก็บแปดเก้าสิบามเขาลงล่ะนับเสียสลักวัดตางๆอะไรนับลูมันเข้ากันนัมแจกอาหารขออาหารบ่อะไรขอบาทบ่อะไลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ งูโมโกักกล้าใช้ค่ากินค้ากับ่ากินพุ่นหากีวอันทนสบายคือกันคู่บ่าอาการมูอเพื่อนบ่มีหเมีตากูุญแก้พาไปเป็นทบาทพุ่นใจถึงกว่านั้นนะจักตายแล้วเธอได้แล้วพวกมัน พาเพ่เป็นนสตว์พาพื่เป็นักสืบพาเพป็นักสืบข้าเนี่ยไถ่้พื่อนข้าวเาี่ยไถเพื่อน้าวเนี่ยไถ่เพื่อนนี่ตากเล้ยมหลวงู่านหลวงู่มหาคือไงหลวปูมหาบุกก็คึ้เบิงดูอยู่ในวัดเราเลี่ยงซิ่งบ่ได้เราเลื้ยงซิอะไรหนีโดดเก่งเหรอใช้กะว่าลูกซิ่งล้วผู้มันวันะฮะเพาะใกล้เขี่นได้หร โง่ขนดนว่าโง่เรีย้ยงหนึ่งบ่ได้โอยในวัด น, นี่มันบันเิมวะ่อเราก็ไล่นีกันหมดน้ามาแรกมากคือไปจับปุ้มกันคุยกันทุกทุกๆวกิ่ต้กุดต้องกิดกันทีได้บ่เดือนกรมพาวนาของพระของมันยังเงียบคนเด้สวดมนตพรอมกันกันจะมือมากข่แล้วทีสาขาต้นน่ะ แนี่วัดเขาพัฒนาครับกับวัดลวงโบสดสวนมนต์พ่อกันเนี่ยสวดมนต์นะครับโบสดเรานั่งของไทยของบ้านได้เป็นโม่เขาเตเนโ่นว่าพ่อนหน้าเรามาหาสวดมนต์นว่าพ่อคนหน้าอันนี้จังเขาเรียกว่าสวดอนัตตลัคนาสูตรดูมันอยู่ก็เรืขึ้น ูพาทุกเเรียกว่าสวดอนัตตลัสวดูมีงนขึ้นผู้พิจนาผมขนเรียฟันหนังเนื้อเอ็กะดูกเขาเรียกว่าสวดการนตาสติดู่มีเ่อนขึ้นมัสเมงกายเมีอยู่ในกายนิเกาคือขนทั้งหลายรวมาคือคนังหลานเรียทั้งหลายเน่ยนันตาคือวันทั้งหลายเน่ะผู้พิจ่าปฏิปุเนีะกนละลายรากายก็เรียกว่าสวด อุส like ูตรย้อเมี่ยงกเวนขึ้นหลวงพ่อของผู้พี่กน่างตายยื้เมียงกเวนขึ้นเขาเรียกว่าสวดมรณะสูตรยื้อเมี่ยงกรเวนขึ้นว่องฉันนบุมันเมื่อรเนคือเท่าเด้เท่หนึ่งป่วยป่วยอ้ข้างหน้าเนียกาจอดจอด จอดจดเยอะห็นงนหมดานปะกาศนะหันหน้าดิกก็ไมรู้ ก, ะกระว่ากระสัมหันหน้าี้ใจนี่ใสธรรมะหันมาสั่นคะรับบ่ที่ตายห้ยังไปหันหน้าด้กาเรียนรู้ว่าสัง่งเดี๋ยวหันหน้าดิใจนี่ใสว่าสั่สธรรมะไส้าวนาว่า ีอ nee, ันนึงอีกอันนึงอีกแค่นี้เพือลายเพื่อนายก็ได้วดหนังสือมาบึ้งให้นางสอหนังสือพ่ะาันักอ่านพักน้างางยังยังยางีนมากกว่ติ ขั้นข้อเนี่ามขั้นเน่เองดอกมีเรื่วแม่นังสือบ่นี่เ่อพแม่นังสือไปทางี่กัหน้าวัฒน์ขั้นข้อเลยขั้นัฒน์จักประาน่ะนี่พวแม่นังสือบ่ยนี่พวกแม่นังสือวันขั้นแห้งขั้นข้อเนี่ยทางม้เฮ็ดหายตายดอกพอม้าเฮ็ดโยนเห็นละนี่นี่นี่วัฒน์่อวันม <c oughs> <c oughs> ันสิตายวัฒนกับบอยิบแล้วนี่พ่กแม่นังสือวัฒน์ตัวนั หรือว่าภูมันไปพักวัดโทธิสมพรสมัยนั้นเท่าเป็นเน่ น, ออ น, นลูกพอายุสิบแปดปีสิเดปีนะเป็นเน่นูเนงม า, านนท่านได้เปลี่ยนดอกวาสิบสี่สิบห้าปีะพักสวัดโทธิสมพอรอันนี้าเนื่องมาว่าสิบห้าปีททพอจะพอเพือออกเรืเพกับ ปัดักลูกนิมิตน้ำโม่ฮะเนี่ยพวกกาแฟจะคุ้นชิได้มากก็มาถามที่ถามหลวงพ่อมันถานมันนะสัน่นยี่ห้องบ้า้เอาล่งในประวัติยาตมันกระทบกระเทือนพระเทล่าในศรัทธาปัจจุบันท่านด้วผู้เดียวนะ่ะ คนได้เทืน่ยท่านสรง่ะท่านไปส่า ง, งเทศอกับไพรใครไปสอนท่านนุกน็ถึงโอกาสพเดชทุก ค, คนคนอเรอาบจะกันเทือยู่ฟังเลยอยู่ฟ อ, อ, องกันร่มหายใจกโขออกก็เบ่ขึ้นอะไรอยู่ฟองกันพี่เจาตายก็บไไื่อขึ้นอะไรอยู่ฟองกันตวยกันเอาก็บ่ขึ้นอะ ไ, ไร มันแนวเลยว่าขาดทุนในมอสเทนมม่แ น, น่วเลยขบขึ้นในมอนเลยเลยเลยถอดเลยถอยอะไงน่นนะไม่ใช่เอาอันกระสินนอกกระสินในมันเป็ น, นังไงวะเนี่ยโอ้าเขเด็กวกคู่นะจ กระสินนอกระสินโวยกระสินนัยนี่ตงหากกระสินนัยคือจังใดโอท่าตะกระสินกระเพ่งห้างกระดูกอี๋แล้วมันขาวเป็นแหวนรัวกระสินนัยนี่กระสินไ่ได้เพ่งของนอกได้ขอขน่อยร in we dead, we อกระสินพอเทวีกสินกระสินกระเพ่งดินยู่นๆแต่ธาตุดินอันนี้เป็นลักษณะของแข็งกระเพ่ง ถาดดินอยู่ในนี้ได้คนหน่อยแล้วสิมันไม่เพิงออกนอกได้เลยโอถ้าตากะสินสีขาวๆก็เพ่งห้างก็เพ่งกระดูกมันสีขาวเพ่งแขล้วมั้งสิโรหิ้ตากสินเองแล้วโรหิ้ตากสินก็เพ่งนาเลือดแล้วคนไหวแล้วสิเพ่งนาเลือดไ้ไหมแดหลังหายนี่นี่กระสินน่สีเขียวสนเพ่งยังไงสิกสิน กระเพงน้ำดีนี่นะคนน่อยาั่นน้ำดีสีเขียวเขียวมาั่นยืไตตับอย่นมาสั่นหันี่ไบราณได้มาห้องันเอากร้อยขาดทุนได้เลยมาสั่นแล้วไาสนนอีกมาสั่นเบ้ด้วฟัง่ฟังกันได้เบ้อด้ิ่ฟังเทียบนหน่อยมาั่นยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้าสั่นสนุกฟังเทศๆเท่ามาั่นถ้ามาจักกะว่าซาติพุทธขาวาสั่น คือท ah ah ั่วไตโลกธาตุพุ่นหรือไตโลกธาตุมมีเกิดเบาสัชนะพีชทุกข้าวมุงนี่ยว่าสัตโลกธาตุมม่แก่มมี่แก่มมีตายบอกว่าสัตวชนะพีทุกข้ามุ่นว่าสั์เบืกันเทศขหน่อยเลยสัตเขานยเข้าใจว่าแปดมือที่พระธาตมขันนั่นพนเทศแต่แต่ละคนละคนละคนเอามารวมมาซื้อรอกว่าสัตวมัน เทศทุนหันจะมหันเทศทุนนี้จะมาหนี้เทศจ่มาหัน้ตพ่นี่เื่อนี่จไปวตายยักหาซามันกับไม่เลี่ยวเป็นแลวไว้ท่นอุบานะแล้วอุบายนี่ถึงคนนิ่านมเลยเขาน่อยไ่นรเทศลงมาหายใจนี่เขาน่อยเขาใจไว้ที่สี่สิถึงสิบเ็ดดอกปรเดี๋ยวตกนเตอบอาหารเลยว่าอะไรขับพุในมือหัว่านเลยไดเศร้าได้ว่าเท้าได้ว่าหวเพื่อ หลวงปู่ก่อนถามท่าก่ท่าบมาเขวิเวกมนันเป็นยังไงมือกบมาเนี่ว่า่้นันเป็นคนผู้ไทยแด้ล่าแด้วนกังกัลพระเจ้านีนก่อนนึ่งเราคือช่างนี่ว่า่ก่อนหนึ่งคือมืว่าแั่ ก่อนหนส่งคือเลีย้ยงนะนก่อนหนึงนะจสะจังสรเ่ราสัตวไปล้วเอาเจเรื่องอันนั้นม า, นน า, า, บ, อาบอกว่าสัาที่รัาหนักคาบาของจักบอกนะศิลปศาสตร์ทีรัาหนักคาถาแเดียวว่าโอ้ยขนหน่อยพ่อาหาน้าเป็นจังสร่คนขน่อยพ่อหน้าเป็นสิทธิ์พูดเถือไม่มีบุญนไม่มีบาปก็คือผู้สร้างบุญสร้างบาปอยูม่มันมีกวันกลางคือ น, นั่นเอง พวอารมณ์ของเขาไปในทางบาปอารมณ์ของเขาไปทางมืดพวกอารมณ์ถือว่ามีบุญมีบาปก็คือเป็นผู้ตาใสายแกวนับจะวันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้นพวกถือถือไม่มีบุญไม่มีบุญมีบาปก็นับวันจะกรรมลงเหมือนดังพระจันทร์ในวันทางแรง คำสอนใดๆในไตรโลกาไม่เหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของคําสอนพระพุทธศาสนาทางนั้นเนื่ยพูดอีกก็จริงอีกยิ่งพูดก็ยิ่งจริงถึงไงที่มันจริงยิ่งพูดก็ยิ่งจริงถึงไงที่ไม่มันไม่จริงยิ่งพูดก็ยิ่งไม่จริงถึงจะพูดหรือไม่พูดก็จริงและไม่จริงอยู่อย่างนั้นจริงที่ไม่จริง เรื่องต้นพระพุทธศสนะสอนให้ธรรมะเดี๋ยซื้อเร่องทางที่ชอบเรื่องกลางสอนให้เบี่ยงเวลาออกปฏิบัติธรรมะเพื่อปฏิบัติคนทุกข์นวัดท่าสงสารคำสอนแต่ละวัดละบาทเน้นหนักไปในทางคนทุกข์ในวัดท่าสงสารไม่ให้มากเกิด์เกี่ยเจ็บตายในวัดท่าสงสารมีอีกเอ คำสอนแต่ะบทลบานคำสอนที่ปลอดอาวุธสินห้าก็ปลดอาวุธป ล, อ ด, ปลอดอาวุธฆ่าปลดอาวุธรักทรัพย์ปลดอาวุธปพฤติในกรมปลดอาวุธเท็จปลดอาวุธดื่มโราเมรยัย เส้นาเป็นพรมัญจนเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาผู้มีเส้นห้าบริบูรณ์กับผู้ไม่ล่วงอบายามุขกับสุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันสุปฏิปันโนไม่ล่วงอบายามุขและมีเส้นห้าบริบูรณ์และไม่ยอมถือศาสนาอื่นด้วย ไม่เสียดายอยากล่วงแล้วเมืสิ้นห้าไม่เสียดายอยากทำอบายมุขเพราะมีความเห็นดิ่งลงไปว่ามันเป็นทางชีพหายตรโต้ไม่มีสารอุทธรถ้าว่าถือว่ามันจะมีอันิสองอยู่ว่าในทางดีแลแ็กๆน้อยมันพอแก้แค้นอยู่อย่างนี้ มันพอบันเทาไม้ทรัพย์สมบัติสินค้าบริวารเจริญขึ้นก็ดีหรือ้านคิดใจก็ดีถ้าเนความนึกเข็นคิดอย่างนี้อยู่คณะคิดใดก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนกลับอบ า, ายามุขเล่นขาดเหมือนนำลายวนทิ้งไม่ใช่ได้อยากเอาคือมาอีกพระเส้นทางเป็นทางสือหายลงโต้ ถ้าถึงสุปฏิปโนแล้วจะภาวนาหรือไม่ภาวนาก็ตามก็มีพุทธคำสงฆ์อยู่ในตัวแล้วแขวนคอแขวนใจอยู่แล้วขาดไปแล้วจากผู้ทุกข์นคนหนาขาดจากความเข้าใจผิดไปแล้วมีแต่เดินลดหน้าจะเข้าสู่พระนิพพานอย่างมากก็ไม่เกินเจ็บชาติอย่างกลางก็ไม่เกินสามชาติ อย่างเร็วที่สุด ก, ก็ไม่เกินหนึ่งชาก็เข้าสู่พระนิพพานไปจ้ะคำสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระคำสอนไม่ใช่โลกีคำสอนฉะนั้นจึงมีโลกีมานปนใจกันก็พระเอาคำสอนของศาสต ร, ราอื่นมาปนไปกับคำสอนของพระสมัยพระพุทธเจ้า คล้ายกับเอาผ้าพ่อตากับผ้าลูกเขยไปพาดที่ราวพาดอันเดียวกันหรือไปปะคนกันหรือนั่งเตียงเดียวร่วมกันดื่มสุราจริงเรานี้ เป็นนาที่ของชาวพุทธจะควรคิดเช่นั้นโรคทั้งหลายถ้าเว้นอบายยมุกแล้วทุกจะมีจากประตูไหนไม่มีเลยผู้เห็นโทษนอบายยมุกมุกกับผู้เห็นโทษในการล่วงและเมืดสิ้นห้าก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นคุณในเว้นอบายยมุกกับผู้เห็นคุณในการปฏิบัติสิ้นห้า กับถึงพระพุทธธรรมประสงค์เปนสนาะก็มีความหมายอันเดียวกันสนณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์เท่งนั้นเป็นเสณะของเรานักที่มีสานาะงานอย่างเสนาะอื่นของเราไม่มีพุโทโธธรมโมทังโคลนั้นเป็นเสนะอันตรายของเราเราปฏิเสธแล้วปฏิเสธจริงๆทั้งปาก ด, ด้วยทั้งความประพฤติด้วย ท้าไม่อะไรด้ว ย, ยใจก็จะสูงขึ้นทำก็จะสูงขึ้นาศาสนาอื่นไม่ไ ด, ดดึงท้องถไม่ต้องเอามาปนเปเทียบเทียงกับพระพุทธศาสนาเลยเพราะศาสนาอื่นนั้น มันหนักไปในทางวัตถุนิยมทางวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอานิจังเกิดขึ้นเรียกกระปวลนั่นแตกสลายหามาในทางที่ชอบมันก็อยู่ใต้อู่ของอานิจังเสช่นกันหาในทางที่ไม่ชอบมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ละออื ถ้าโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์กับเป็นอบายมุกบริบูรณ์แล้วสงครามจะมาจากตัวไหนถ้าขายเครื่องอะหารถ้าขายสัตว์เป็นอเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าผเป็นอาหารถ้าขายน้ามองค้าขายยาพิษถึงข้าขายเหล่านี้เป็นอบายมุกทั้งนั้นเขาพิชชั่วเขาเป็นอบายมุกอันญีัดตุ้เทศถือสาสะราอื่นก็เป็นก็เป็นอบายมุกอีกเหมือนกัน อนันตริยกรรมห้ามาตัวฆ่าฆ่ามันดาผีตัวฆ่าฆาเบดาอรหัตตฆ่าฆ่าพระอรหัน์โรคหิสตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพโลงในไทยหอกจไปสังฆเภศยัางของแตกจากกันอัญญสักสุดเทศถือศาสตราอื่นจัดเป็นอนันตเริยกรรมหกก็ไม่สามารถจะถึงมรรคดีความในปัจเจ้านาชาติได้ แต่พอเป็นนิสายนั้นได้หูก็แม้ว่าแต่มาทุกขาพิจุก่านะฮะตระค่าฆ่าปหาแหละแต่มดตัวแดงแมงตัวน้อยก็ยังไม่ค่าใช่แล้วเพราะมีสิ้นห้าบริบูลถ้ามีสิ้นห้าบริบูลณในโรคนี้แล้วกฎดไมยกดหมูกัดพับกดพวกก็ไม่ต้องตั้งขึ้นมากไม่ตั้งขึ้นให้มันมากทำไมมันบนมาก มันในท่องเมา่าขายของก็ไม่ต้องเฝ้าขายเหล่าขายยานเนี่ยมันไม่รู้ขีดวดอย่างเงี้ยเอาใบมุกวอ่าเ้เดี๋ยวควรละพันบาทก็จะไปะขาย้าเล็กขายผ้ามุนเอาใบใมุกต่างาหากไม่ซื้อมาขายกินน้ากราบจอน เป็ยัง <Spanish> ม <execution> ันจะเป็นนี่เป็นสินกันหลายในสมัยกูเป็นนีมึงมึงเป็นนีกูจำว่าน้ารัฐบาลเป็นนี้ประเทศนอกคนก็เพราะไปยังก็เพราะปู่อับายยมุกคือได้ประเทศไทยข้าวโพดมาสมถือสาสนาพูดสารสาพูดมาสงเอ็นบดสมัยมันจะไปยัง เราเห็นเมกีสามปีสี่ปีพวกก็นนะขันบ้านเมื่อมาเฉลิญเฉยมาขี่เสืป่นี่เดียวเนี่ยไม่ขี่เสือานเอืนน่นหอกกูได้วปวดขีมา้หว่าขี่เป่าเขานี่เข้าเสือเข้าลงทางระเจเข้าเสืออ้าวอะไรกู ย, ยิ่งมากเขีที่นี่กูแย่มากเขี่ที่ตมากนายไร่เฉพาะมัดลกทานุอ่่ะเอ้าพ่อไเลนาวยมุกจกสามปีอาลกขับเที่ไทยนี่นมบูเรเิม โรคก็คือกันเหรอมัดโลคเนี่ยก็คือกันการรบรากขับฟันกันมันจะไม่จากพระตูวใดพอสินหาบัวหลวงระเบิดอ่ะคุกกะทิมี่ไว้หิ้งตะล่างกะทิมี่ไว้หิ้งเท่านั้นขายของก็บวตถองเฝร์อันนี้ราคาเท่านี้กว่างไว้มีราคาเ่านี้ว่างไว้ฉันบ่เห็นเขาก็เอาของใส่แต่เขาใส่หิ้งแบบทับไว้ฉันเยอะมันติวไปบ้านนี่เงินหายมือหนึงเสี่บ่เห็น เขาเก็บได้เขาไปรงน้ำนั่นแล้วนี่ไปทํามาว่าน้านั่นได้รอดเพาะไม่นี่เสียหาดิรองสีน้ารอดว่ากดไมยก็ต้องตั้งตั้นมาตาเท่านี้มาตาตั้งไปต่อหลายตายยังกรอดมันมาตายยอมันมันมันอยู่ในมาดใจคนมันอยู่มาดข้างนอกคนหัวกัะม่ไปน้ากันหัวไม่แม่ไผ่ไปน้ากันท้ามขึ้นที่ขึ้นกลับมากกับเบาเบียง อันนี้น้ำจ่อกันคือคนคุ้มนักโทษเนี่ยจอเจะิรักกันแม่นบอกหัวกับเมียสต่ไม่เห็นกันคือนึงหนูอยจักรยุยู่ถึงไหนเนาะสันนอนก็รับกินกุหกุอยู่แม่นบอกนั่นแต่พวกผู้ไม่ถิ่มกูละตีเพราะว่ากุหลีบกับหัวก็ซื้อกันเลยโอ้ยูวหลาอย่บานฝันนี้มันเอาผู้ใส่ไปนอนน้าแบ่บนนอเพราะว่าเนี่ย ฉั น, ม น, น, มนไม่สินหาอยู่บนโลกเราเสียเรารวยกันที่อย่างนั้นออเดอร์ทานดของกางหลวงละเมิดฝ่าหน้าที่บาตายไปไปตะทุกมรรโหกออกจากมอรคโหกปเป็นเพศยุทธ์น่มรรห ก, กหลายหมื่นปีเป็นเพศแต่หลายหมื่นปีออกจากเป็นเพศแต่เป็นพรัพที่รษ า, านแตหลายหมื่นปี ออกจากชัดเจนสารหนึ่ก็มาเป็นชัดเจนสารหนึ่ก็บามันตายด้วยโรกชราเน่ตายโดยเขาขาเขาเสื้ดข้อทั้งนั้นตายเขาข า, ขาแขนทั้งนั้นออกจากชัดเจนสารหน้าหเป็นบัณฑิตตายเงอนเขาขาทั้งนั้นไม่ได้ตา ย, กกายง่อนโคเง่อนขือนชาภาพนี่โทษของอวัยวะมุกโอโทษของฝ้า น, าน้จิตบาทโทษของอันที่น่าท่าน ตายไปกับตะงงงกงมารหกพญายมกเลื้ยงแด็กวัดตัดตินตัดมือสารพัดดูฮันหลายหมื่นปีออกจากฮันไปแต่ปเป็นเพลิดออกจากเพลิดเป็นเพศิดกันปเป็นทัศนียสารออกจากเป็นหลายหมื่น ป, นน ป, ปนีออกจากทัศนีรสารเนี่ยค่ะเปเป็นมนุษย์เป็นเป็นมนุษย์ก็มีสิ่งมีของก็บถือจะเขารักเขาตงรงเขาตวนวัดจา้างอะ นั่งน้าอันนิสงวนพวกกะนี้ซึงไม่จานมีนแก่บกไงนี่ <c oughs> ตายไปกับต๊กบมาหกจ้างยมพิวัตรจอมเล็กแดงมาเฉือนเฉือนโยนี่เฉือนน้ำท้ อ, องม่เนี่ยท้องตายโกโกโกสงหอมว้ยอมแล้วไอ้อไันพ้ายพวกขาคือเนี่ยพวกขาสิรวงแล้วหมอดอันนี้แล้วว่าชันเออมา ไ, ได้ คอยก็มีกรรมทุอการคอยแตเป็นเป็นจ้างย่อมพ่บานคอยว่ได้่งลำเบิอดอกแค่อยหันยิ <k <k ่งดีน้ำเขาสวดนั่นแหละคอยก็ได้เลยเป็นจ้างย่อมพ่บานคอยก็เป็นกรรมของอยคอยก็บรมาคุ้มเจ้าพี่น้องแล้วกรรมของคอยมีาังเพ่นว่าย่อมพิบานมารหกเขาเพื่อได้สางขึ้นมู่ห่อสร้างขึ้นเองมันเป็นขอทียบขึ้นมาจังขอโอ้ยะฮะ ผู้ใต้กัเอาเรื่องเดี๋ยวตัดองคชาตดีกตัดพวกมกันกระหั่อีกพอตายก็โกรกตายเรื่อยอยนก็ขึ้นตายอยน่นีก็ขึ้นอันนี้นักที่ทุดอันนี้กระไรนักจริงไหมออกไปจากทํางมาเป็นเพจหลายหลายมวลปีออกจากเพจแล้วมาเป็นสันีิสาน มาเป็นทรัพย์ที่รัสัน้นขาเป็นม้มมาแม่เขาโคมตายอือพระเจ้าก็ตัวอะไตัวอไรโค่นเหยียบกูเหยียบมึงเหยียบตาย ส, สามัยตัวภูออ ก, กันถูกข้าส้นตําไม่จำไรตายพราญาติกันเนี่ยญาติกรรมลูกกันม า, นกนมาเกิดเป็นคนนี่เนี่ยเขาก็ไปรวงละเมิดนี่ผัวเขาก็ไปรวงละเมิดนี่ถูกพิรันธุก็ไปรวงละเมิดนั่ง สารพัดที่เป็นไปกำมมั่นหน่งมาเกิดเป็นมนุษย์แล้าหน่งต้องหาห้อยซากคน่นั้แล้วะหาห้อยซากหา้ซากคนหลายมือนตีขัานึ่งทุบชัร่าทุพุทธพุทธาหน่งเอาอไตายไปสิกางยมพิบาลมึงว่ามึงวถัวอยู่ในมนุษย์โลกสัตแรกเรียนออามาสัตแรกเรียนออกไปกัเอามีดเลี้ยแดงตัดลิน่น อ๋อตายโอ้ยตายตายยังหันเกิดขึ้นัตายยังเกิดขึ้นยังคอกังฟันเ่านี่ไม่ได้ซื้อมาที่อืิแล้วก็ออกจากขันมาแล้วค่ะมาเป็นเพลหลายหมื่นปีออกจากเพลทมากกมาเป็นไปัดเจดสานหลายหมื่นปีอย่นกันฮะหลายสาตร์อีกออกจากสารออกจากสัดเจดสารออกมาเป็นค้น มาเป็นคนไปพูดใสเขาก็บวเสือให้เพ อ, อามเพราะอำ น, นาจควบคกมว ก, กโกหกพวกล่อมที่พูดเป็นท่ า, านไปใเขาก็บวเชือถือได้เขาตัวเขาต้มเขาตุ้มอยู่ท่านว่าเสื่สอโทษดูล่าฮะนี่ยตายไ ป, ไปพยายามยอมอกเลือดเด่นกลอกปากขอโอ้ยตัดลิน้นยืนหลายเมื่นปีออกมาเน้ ออกจากหานมากเว่าเป็นเพศอีกออกจากเพศมากมาเป็นชัดสิบยีสส่สิสามบ่าอันนี้นวบ่าค้อยบ้าบึ่งบ้าหมาบ้าออกจากกันมากกับมาเป็นมาหมดพียบา่าว่าใบเสียชลิบเปลี่นมันหดปลาเกือบหัหนวกปลาเ ก, กือบนะแนวนี้มั น, ม, นมันของเ่นมันก็ชุดบอลเข้าบริยานพระบุญญาติเข้า เขาบอถือไวที่คือให้เขาเห็นไอสั่งพ้นจังว่าพวกมี้เสียนาบริวูนพ้นจังจัดเขาในสื่อฏัิปันโนไมนะคือพัิบัติก่งแล้วชื่อพัติปัติกงไปพนยพ่พันผมบ้านไหนแวะใส่รลหัวนั่นข้าวขั้นสูงสูงพุทโทษพุทโทตายข้าพุทธโทษว่าไปยังอะเนี่ยพุทธโทษมาผ้าขาดซัรักษาบ่คือพิษแม่คำถ้โม่ั้โคคือกัน ผู้โทษพ่างหาท่านรับสาสิ en, านพ่วานาพางเดียมสในพระพุทธธรรมประสงค์นั่นมั น, น, าานหนึ่งเป็นพ่วานาเยอะในตัวแล้วมันเท่าเว้นอันมันยิงมันก็เป็นภ่วานาเนอยอะแ น, นตัวแล้วมันก็เป็นพุทธเป็นธรรมเป็สงฆ์ยอะนตัวแล้ววัดเต้องเอามาแข็งข้อไว้ ก, กระซังเนาะเอามาแข็งข้อไว้เนะเบารห้าสิบเร า, าอเอาเอาความหัวกัน น, นนี่ยแน่นเนาะเอาพุทโธนะพ่าวานาพู้โทษตายฆาพโทษเราเกิดไนพวกมารว งโตจินวานจินยาวมามันบอเช่าแล้วเด้อิตายค่าพอนาขโทษนองตะหมอกกายถวายต่อพระพท่ารประสงค์ไปไปเอาหนังสือมาไปหนังสืออันถ้ามันของกางถ้ามันของกางเหมือนล้วบอกนังนมันของกางนี่ยเรอือชุบง่ายว่าเดนอกแม่บ นิดนิดเดียวอ่าถ้ามึงของการอะไรอ่ะตอนนี้ก็อ่านให้มันจบมึนเถอะแล้วลอปูนเจาพัสชาษนี่ยเรื่องามึงขึ้นนั่งโกยอยู่ด้ยเพื่นอ่ะไม่ใช่เจ้าษสาโอ้โหใครหอกเครเียวอาหารที่บนที่สนอกดูเดี่ยวพวกพี่ต่อพวกแกเลยแม่ดูตามาตาเรืออะไรขึ้นนั่งเลย เอั น, นั้นกับน่ะเอากระทำมาเออเอากระทำมั้งเราก็ให้ติดาวติดกระไม่ยาเรากรทําอะไรผ้สองให้ผ่านผ้สองให้ผ่านผู้ทสงให้ผ่านผู้สงให้ผ่านผู้แท้ทาแท้สงแท้คือพรนพพานทางรักษาสีนกนะ ทำดีในส่วนไหนๆก็เพื่อพระนิพพานทั้งนั้นไม่ได้เพื่อในโลกในสงสาร มุนโนพันเถรมหเทรตมาเถนะดาวารตะเยนะตะตังลาภะนะปะรังมัตุนโนพันเถรท่านขั้นที่หนึ่งคือพระธรรมคุตตเจ้าทั้งหลายขั้นที่สองคือพระปัเจกทั้งหลาย ชั้นที่สาคือพระหันตาศีนาศพทั้งหลายชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าคือพระสะกัตถามีทั้งหลายชั้นที่หคือพระโสดาบันทั้งหลายเบื้องว่าพวกเราทั้งหลายที่มาที่นี่พอดีที่มาได้มาพอดีท่านคิดพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นด้วยกายกรรมสารรมวจีกรรมสี่มโนกรรมสาม อันในอันหนึ่งก็ดีในพกกรกอดก่อนก็ดีแค่ ก, ก, ก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหนาก็ดีรูป ก, ก็ดีไม่รูป ก, ก็ดีหรือได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นจงทรงวอาโซท่านแก่พวกเราอยู่ทุกเมื่อมีประมาณการเข้าก้าผูกพันธ์ผลขั้ว ท, ท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ่นจา ก, กรทุกนาวตาทงสารตามความเหมาะสม ข, ของตนของตนอยู่ทุกเมื่อโดยมือเรือเ นั่นเธอพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ทั้งทั่วทั้งใจโลกธาตุถ้าด้ทําทผิดด้วยใจทั้งวาจาและใจอันใดอันหนึง่งซึ่งกันและกันก็ดีทั้งที่มีวิญญาณคลองสิงก็ดีที่ทั่วทั้งใจโลกธาตุก็ดีต่างฝ่ายต่างให้อำนาจวิกรรมแก่กั น, กกนต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อหน้าพระธรรมทั้งหลายต่อหน้าพระริยสงฆ์ทั้งหลายอยู่ตัวเ ม, มื่อมีมีตมาลคนทุกท่านเราทั้งหลายทุกคนหน้าทั่วทั้งใจโลกา ต้องเป็นสุขในพระพุพระธรรมพระสงฆ์นียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อพิจารณาพระทุกข์โสดาบันพระโลกพเวรพระแต่พระอันตรายใดทั้งสินอยู่ทุกเมื่อไม่มีขมานนันเถอหางคุให้จุติธรรมบังยักษ์พระปราปกังรรมมารตุสเปัญญาที่โตมารุกังพราเจียพรมณตัันทิมาทิวาตนะเสีิจานิจางุาภิจายู รัตตารธรรมาวจังติอายุวโนภูขังปะเรียกว่าทำวัดเพื่อพระนิพพานไม่ได้ทำวัดเป็นพิธีทำวัดเพื่ออุทิศพระนิพพานเพื่อมาให้มีเวรมีภัยแก่สิ่งอันใดในตจโรกธาตุด้วย ถ้าที่ปลาล็กธรรมะก็พอสมควรเส่ยเวลาล็กคูนี่นาก็เป็นโกคสารพัดแล้วพอไฟแดงเขาขึ้ น, นแล้วนะก็เอาละนะสุกก็ซุกเนอะไฟแดงเขาขึ้นแล้วเออ <c oughs> พอกันไหมนี่เจอกันพอกันไหมเจอกันถ้าไม่พอ ก, กเแาจะแต่พระเนอะ โยมก็ไม่ต้องเกี่ยวละโยมเอาไปยังไปทรูนกเล่นแม่อ่านครับเรียกหน่อยมาหนึ่ตอบมืดมงมงเงี้ยท่านบทีมยเ้ยงกน่อยเขามันไปผูกเขาเรีกห้วยเดีวสางหัวสูตรตหัวสูตรเดวว่าเสนอกันไ่ได้ตั้งให้เรีกใครผ้าอย่างไม่มีเจียรตินาวะเมื่อไ่มีแผลเย เอ้ย่าพี่าใา่พุกออกมาถือกุ่ลเอาอ่านูตัวอันอ่ะอันเดี๋ยวเดียวเป็นเป็นข้มรับว่านังซื้อเนี่ยบอเ่ลักครับผมเอาเอา่นถ้าไม่คาราโลก็ไม่ทางนี่บอในไฟถําไฟกลางคันเพาว่าโลกมันบานนาบอบานนาเท่านั้น ผู้เหตุบาปกับบานนาทั้งบาปผู้สะสมบาปผู้้สะสมบุญกับบานนาทั้งบุญผู้อสะสมพนิพานกับบานนาทั้งมาคุนยพานบา น, นาอ่านว่าบา น, นาธรรมาดากอานวา่าธรรมดาเป็นขา้าวกลางธรรมดาบุญก็ไ ม, ม่ธรรมาดาบาปก็ไ ม, ม่ ถ้ามาดาถือบุ๋ยบุญนีบบ่บาปก็มิจะมันให้ผลต่างกันมูมากลากไปลากไปทังดีก็่ไม่ลากไปทั้งซัวก็มีส่วนผลรายรับว่ดตองลองหาดอกมันมาเองมันคือรับตาเนี่ยว่ดตองลองหาหมือดอกมันมาเองมันคือมืดตาว่ดตองลองหาดอกมือเอ้ ไม่หายไเห็นฮวงซ่าสั่นก็บบารีวามันมาเองมันของจริงมันจิงยุคอนเท่าแล้วเท่าฮัาไฮรูดตามเป็นจริงนี่เมื่อวันเท่าเสียมาดแดงถามมันเป็นจิงทำทางร้ายมาพุทธเก้าบอกว่ามันเสียเท่าเสีมาดแดงมันเป็นจริงเป็นจริงยุคอนเท่าล่ะนี่เท่าสิยปฏิบัติตามเป็นจริงที่กวนระกับี่เป็นจริงที่กวนปฏิบัติกับปฏิวิณิสงมี่เป็นจริงที่กวนทาให้แกงกับี่ เป็นจริงที่้วนทําให้แกงก่ะเคืองนิโรธที่ควรปฏิบัติก็คือมาศศิษสามารถทปัญญาท่านศิษย์พาชนาเป็นจริงที่วรให้เวน้นกับครือบาปขุนจริงเมื่อนี้แกขุนจรมาสิ่นมันก็ครบแปดมือที่พระธรรมคันของสันอโลดจรในสันไหนจรในสันโลกพุตธละข้ามีโยซีสันแปดสันจริงในสันพระโสดาบันจรในสันพระทาาคามียจรในสันพระอาณาคามีย จิงในสั่นพระหรหันทรับธรรมากด้วยจริงในสั้นพระประเจษจริงในสั้นพระสมมารสระพุทธเจ้าจริงในสั้นเทวทัชัตจิงช่างหมอลหกข้าว่าจริงเนงี่เป็นข้ามกลางว่านะข้าว่าทิธิก็เป็นข้ามกลางเขากันทิทธิแปลว่าเข้มเห็นทิทธิสัมปันโนถึงพร้อมเลยทิทธิอันบริบูรณ์ทิทธิแปลปันโน วิบัติโดยทิฏฐิเพราะว่าทิฏฐิแปลความเห็นเห็นไปทั้งผพิดเพนกับพิดเห็นไปทั้งถือม <Hart> ันกับถือวางเลยพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทิฏฐิบอพระอรหันต์ไม่ทิฏฐิบอนี่คือกันสัมมาไม่มุดนย่าเน้สมมาญานะอันนี้ดูสอบเห็นสอบทิฏฐิแปลความเห็นด้เนี่ โอ้ยเม่นด้เม็นด้เหม็นดิบหมนดิเอาไปสิงสายหนอ อ, นอึ้งตัวยวเป็นเห็ดมัดวานมัดเมื่อพิ้นม า, รมาตรงไรจังหวัดโอ้ยงถื่อหนหอ <c oughs> ตัวจุดตะเกียงเจ้าพ่โยกเปลี่นเน่นไปจุดเนนไปพลาไปจุดจุดเป็น่ยนท่นไหโอ้ยงูตายเนถน่อนน่ะนะ้าไม่ต่ตัวกระจุดเปลี่ยนนู่นเนาะ ช่วยเขียนเข้าอยู <give> <control> ่น <101 centre> ักฝ่อยเนี่ข้างเห็นไท่ในวัดตาสงสารเห็นโทษในวัดตาสงสารเนี่ยปัญหาเขาห้ามว่าอะไรเลยไมน้อยเดี๋ยวนึงนักที่โลกีอันนี้ที่โตคนหมดถึงเป็นท่าบอกว่าในโลกจริงอยู่ขอนี้ขันเขานี่ท่าในท่างผิดเขาเห็นสงเขาแก่ซะ กเ่าถือเอามันถือล้วเทากับปแกะคือไปแก้น้าคนมันสิมันสิ่ลีวเป็นบหมมันต้องเอาดิงสร้างใหม่ใหอกันน่ะต้องเอาดิงเป็นเครื่องวัดทำหมะก็ต้องเอาเ้ามมอพมาบุตเจ้าเป็นเครื่องวัดถ้าเพ็น้าคนตีนชุดก็เปลนคือห้อึือกล้วยมาก งามงามลูกก็บขื่นขี้พ่อขื่นขี้เขาถามมาว่าถามเขาเป็นยังไงกล้วยตัวนี้วะสังงามมาวาสังงามยูสังขังบมงามขาดไหนขันพอกอบโลกลูกล่งขี้แสดงขึ้นถึงงามหลาย ก, ก, กว่ากอล้วสังเป็นขลาดลง่งท่านเลยเขาบอกว่าป่ะ คือจะมาจบปันข้อขี้หมูบอว่าเหมืนพ่าลูกขึ้นขี้อีก